ตั้งใจฟังครับฟังแล้วก็ให้มันจกจําได้ครับไม่ใช่ฟังแล้วจําแล้วรู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติมันไม่ได้เรื่องครับโยมก็เช่นเดียวกันฟังแล้วให้มันจําได้จําแล้วต้องเอาไปปฏิบัติต้องพูดตามคําอ่ออทำทําตามคํำพูดนั้นไม่ใช่ฟังแล้วจําได้เอาไปพูดไม่ใช่อย่างนั้น ที่หลวงพอพูดให้ฟังตอนเศร้าก็พูดตอนเย็นก็พูดเพื่อทำความเข้าใจกันบางคนไม่เข้าใจหลักวิชาใกล้ๆที่สงพอพูดเนี่ยไม่ได้พูดเอาสับแสงบาลมบาลีอะไรทั้งหมดเลยอันที่เราจำสับแสงบาลมบาลีนันดีแล้วดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจกับคพูดตัวเอง อย่างที่เราพูดห่านโมตัสสะพระคัมภโตเป็นภาษาบาลีเราแปลว่านโมตัสสะแปลว่าขอนบน้อมแดพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเราพูดได้แต่เราอย่างไม่เข้าใจอรหันโตแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสสามมาสัมพุทธสัพจัตเจลุชอบโดยพระองค์เอง ตัดสรุปโดยชอบตัดสรุปโดยพระองค์เองไม่ว่าอย่างนั้นเราพูดกันบันไดเราจะทำอย่างไรเราไม่ได้ทําตามคําพูดคําสอนคํากล่าวคําเตือนนั่นเองในเป็นอย่างนั้นจีบมันไม่รู้หลวงพ่อก็เลยพูดให้ฟังใกล้คนเราทุกคนทุกชาติทุกภ า, าษาทุกเพศทุกวัยเป็นพระเป็นเนน เป็นคนเท่าคนแก่คนหนุม่มคนสาวก็ปฏิบัติอันเดียวกันนี้เราก็ว่าธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันมันเลยไม่รู้อย่างเดียวกันมันรู้จำรู้จำรู้จักนี่ไม่ใช่เป็นของเรารู้แจ้งรู้จริงจะเป็นของเราให้เรารู้จริงๆแล้วก็นําไปปฏิบัติกับซีวิตของเราจริงๆนั้นจึงจะเป็นธรรมะแท้ รู้อย่างเดียวกันแท้กับพระพุทธเจ้าเราสวดโยจักคุมาโยจากคุมามหะามล า, าปะโทนท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขจัดมุลทินคือโมหะเสียแล้วเนี่ยโมหะเกี่ควมหลงบ้านเราเรียกว่าหลงหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจหลงคำพูดหลงอะไรที่ประทะ รอยแปดพันประการไม่ได้หลงทางนั้นเลยไม่รู้ของจริงเลยบัดนี้ บ, นนบทสุดท้ายเนี่ยพุทธานุพุทธังสามารถศีลทิฏฐิผู้ตัดสะรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกั น, นมีเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าอยู่ธรรมแท้จึงคือสิ่งเดียวกันเราพูดให้รู้จักดังนั้นที่หลวงพ่อพูดเยคนไทย คนจีนก็ต้องรู้อันเดียวกันนี้คนฝรั่งเศสคนอังกฤษก็ต้องรู้อันเดียวกันนี้คนเยอรมันคนอเมริกาก็ต้องรู้อย่างเดียวกันนี้คนอินเดียที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ต้องรู้อย่างเดียวกันนี้คนคามนคนโยนคนลาวก็ต้องรู้อย่างเดียวกันนี้จึงจัดถูกต้องถ้าจย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่า ผู้ตัดสูต่ตามพระพุทธเจ้ามีศีลได้ทิฏฐิเสอเมอกันมันก็ผิดที่ครับนี้เพราะทิฏฐิควมเห็นเรามันไม่ตรงกับทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยความเห็นมันก็ไม่ตรงกันกับความเห็นของพระพุทธเจ้ามันก็ขัดนโยบายกันขึ้นไปความขัดแย้งต่อตัวเองมันมีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเพราะเราดิ่งไปข้างเดียวเลยอย่างที่เขาเพิดสงขามกันทุกวันนี้เนื่องว่าสังคมนิยม กับปาร์าทิปไตยเขาวันปาร์าทิปไตยก็จะเอาให้ได้อย่างนี้สังคมนี่ยังก็จะเอาให้ได้อย่างนั้นเกิดสองพัคก็ทะเลาะกันขึ้นมาเนี่กลุมเห็นไม่ตรงกันอันนั้นก็ได้บัดนี้นักศึกษาตั้งแต่ป .1 ถึงปริญญาเอกก็ยังไม่เคยศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจนี่มันมีคือกันหมดนักศึกษาก็มีดีใจมีเสียใจเนี่ย ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็มีดีใจมีเสียใจเนี่ยพระเนรก็มีดีใจมีเสียใจเ่ยโยมาจำสิงก็มีดีใจมีเสียใจเนี่ยเห็นอันเดียวกันนี่นีธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันรู้อย่างนี้ดีใจเป็นทุกขพโลภะโนพ่ยเห็เสียใจเป็นทุกขโทสะเนี่ยยันเนี่ยเพราะโมหะนี่เองทำให้เราไม่รู้จริงทว่าควรศึกษาเรื่องของคนเรื่องของคน ควรศึกษาความเป็นคนควรศึกษาหน้าที่ของคนเนี่ศึกษาตั้งแต่ปหนึ่งถึงปลายเองก็ไม่ได้ศึกษาความเป็นคนเรื่องของคนหน้าที่ของคนไม่รู้จักเลยเมื่อไม่รู้จักอย่างนี้ก่อนเลยทิ่งหน้าที่ของคนไปปฏิบัติหน้าที่ของอะไรไม่รู้เนี่มีแต่ดีกับชั่วเท่านั้นเองเขาว่า ร่วงสอกยาวานาคือว่ามีพร้อมแล้วทั้งสัญญาและใจให้เราศึกษาที่ตรงนี้ได้ที่ตรงนี้ครบจบสมบูรณ์ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าลักษณะสามอย่างลักษณะหนึ่งควรศึกษาค่าไตาลักษ์อันนั้นเป็นเรื่องปฏิยัติไตลักษ์คือทุกครั้งอันนีจางนานเป็นเรื่องของไตลักษ์ ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้พูดเอาเรื่องตำราลักษณะสามอย่างนี้คือหนึ่งศึกษาเรื่องของคนให้รู้จริงๆศึกษาให้รู้จริงๆเรื่องของคนเนี่ยเรื่องของคนนี่ไม่ใช่เท่านี้นะมากและควมเป็นคนแบบนี้ รวมเป็นคนก็ไม่ใช่หอกเกิดขึ้นมาแล้วให้รู้จักคนมันเกิดมาจากพอจากเนื่ยรวมเป็นค น, นถ้าไม่มีพอเนี่ยมันขยายไปเลยมันไม่ดีเดี๋ยหลวงพ่อพูดสัส้นๆหน้าที่จะเข้าใจจริงๆแล้วพ่อพูดให้ฟังมาเสาเย็นกลางวันตอนสันเสาสันกลางวันธรรมะเสาร์ธรรมะเย็นพูดให้ฟัง แต่บางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจแต่เข้าใจเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วมันตรงกันข้ามแต่มันเลยไม่เข้าใจจิ๋ว่าให้รู้จักเรื่องของคนจริงๆและควมเป็นคนจริงๆและหน้าที่ของคนจริงๆนี่คาว่าหน้าที่ของคนไม่ใช่หน้าที่ของไทยหน้าที่ของคนปฏิบัติจิว่าหน้าที่ของเราเช่นอ้าวหน้าที่น่าจะพูดให้ฟังหน้าที่ของตำรวจ ต้องทำหน้าที่ตำรวจให้ตรงคนเนี่ยเป็นยางน้นเรื่องของคนไบถ้าเป็นทาหารต้องทำหน้าที่ของทางหารให้มันตรงถ้านักบวชก็า ท, ทำหน้าที่นักบวชให้มันตรงในวันหน้าที่ของเราหน้าที่ของคนซื้อคนขายต้องทำหน้าที่ของคนซื้อคนขายให้มันตรงหน้าที่ของกรรมกรแบกขนต้องทำหน้าที่ของแบกขนให้มันตรง หน้าที่ของสาวนาสาวสวนก็ต้องทําหน้าที่สาวนาสาวสวนให้มันตรงหน้าที่นักศึกษานักศึกษาก็ต้องศึกษาให้มันตรงที่นี่ค่ะวัหน้าที่ต้องรู้จักหน้าที่ของคนอันนี้เราไม่รู้จักหน้าที่ของคนเมันหน้าที่อะไรเราก็มาปฏิบัติทั้งหมดเลยก็ได้อันนั้นไม่ใช่คนนี่หลพูดทาไม่ใช่คนเพราะเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่มันดีมาประดับเนื้อประดับตัวไม่ได้เรียนรู้เพื่อเงิน เรียนรู้เพื่อเกียรติเพื่อยดไม่ใช่เรียนรู้เพื่อความรู้อัน น, นี้เราพอพูดได้ฟังวันนี้เพราะว่าต้องการเะวันนี้ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้ชิบยาเขาพูดกับหมอเขาให้ยามากินแต่จริงเรามาพูดได้พรุ่งนี้ก็จะไปแล้วตอนเย็นเขาจะมารับเอาเนี่ยเป็นยังไงเขาจะได้พูดให้อีกตอนเช้าเนี่ยจะพูดให้ฟังสองครั้งเป็นยังไงเพื่อจดจํา แล้วก็ฟังเอาไว้นำไปปฏิบัติดูหน้าที่ตำรวจปราบปรามโจรผู้ร้ายถ้าหากไม่ปราบปรามโจรผู้ร้ายก็ไม่รู้จักหน้าที่ของคนก็ไม่ทำตามหน้าที่เลยเขาสมมุติให้เป็นตำรวจนะจะต้องเป็นตารวจนะสมมุติที่คนธรรมดาเนี่ยให้รู้จักหน้าที่นั่นเองสมมติบัญญัติปรามาัดบัญญัติอัถาบัญญัติ อริยบัญญัติหลวงพ่อบอกแล้วสมมุติเทวดาสมมุติผีนี่เคยเห็นผีไหมไม่เคยเห็นแต่ได้ยินคําพูดกลัวผีเพราะคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนนั่นเองถ้ารู้จักหน้าที่ของคนแล้วจะไปกลัวทําไมอันหน้าที่ของเราเนี่ยอันนั้นไม่ใชนะ่เป็นเรื่องของคนน รวมเป็นคนเพราะมีบิดามาดาเกิดขึ้นมาเรื่องของคนมันเป็นอย่างนั้นมันสับสนวุ่นวายโลกมันจึงเดือดร้อนในเรื่องของคนแต่ย่งให้รู้จักหน้าที่ของคนพี่นี่หลวงพ่อพูดอันนี้แล้วสัจธรรมเดี๋ยว่าตายรักก็ได้เดี๋ยวอันใดก็ได้มันจบเข้ามาทั้งหมดเลยนั่นเปนอย่างนี้นีน่เราไม่รู้จักอย่างนั้นก่อนถ้าไปเป็นตำรวจก็บิดพิ้วต่อหน้าที่ทําการทํางานไปโดยไม่ตรงหน้าที่ทหาร เมื่อเป็นทหารคอยปราบศัตรูหรือที่มันตรงกันข้ามที่จะมาเป็นสวงขามกับเราเนี่ยก็ปราบปรามอันนั้นไม่ใช่หน้าที่จะไปปราบโจลผู้ล้ายอย่างนี้หน้าที่ทหารคอยเราดูดูระมัดระวังป้องกันประเทศชาตินั่นน้นหน้าที่ของทหารบัดนี้หน้าที่ของพ่อค้าเนี่ยซื้อถูกขายแพงต้องการกําไรหน้าที่ของพ่อค้าเนี่ยต้องรู้จักหน้าที่ของนักบวชบ น, นี้ เราต้องพยายามศึกษาเล่าเรียนให้รู้ความหมายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นเลืกเอกออกไปเผยแพ่ไปสอนไม่ใช่จะไปสอนเรื่องที่มันไม่จริงเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาในเมืองไทยสอนของไม่จริงมากเพราะคนไม่รู้จักหน้าที่นั่นเองกลัวผีเคยเห็นผีบ้างไหมไม่เคยเห็นจะกลัวผีเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของขน แล้วควรเป็นคนมันเป็นมายันเพราะปู่ย่าตายายซ้อนกันมาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนหน้าที่ของคนมันไม่ต้องัวผีเพราะเห็นผีแล้วเนี่ยอืผีคือทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วไม่ทําการทํางานตรงต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาเขาเรียกว่าผีทางนั้นเพราะมันมากผีเนี่ยไอผ้ผีนางนี่คือผีเนี่ยมันเป็นเพราะป่านั้นเองพระเนนก็คือผีเนี่ย คนท่าคนแก่ก็คือผีเพราะเราไม่มีตาทิพนั่นเองเราจึงไม่เห็นผีจึงปฏิบัติธรรมะให้ดูใจใจลักษณะนี้เป็นผีเราก็จะรู้ใจลักษณะนี้เป็นคนเราก็จะรู้ใจลักษณะนี้ความเป็นคนเราก็จะรู้ใจลักษณะนี้หน้าที่ของคนเราก็จะรู้ความเป็นคนนะให้รู้จ้าความเป็นคนเป็นคนมาเพราะมีพ่อแม่เองมีบิดามารดาถ้าไม่มีบิดามารดา รวมเป็นของก็เกิดมาไม่ได้เน่ยเราให้รู้จักอย่างนี้เดี๋ยพูดได้ฟังพูดเรียก ว, ว่าแพเอามาขนาดนี้ก็ยังไม่เข้าใจคนบันนี้พ่อแม่ตาเออเอาเอ า, เอาพ่อแม่ยังก็พ่อแม่นี่รักลูกมากที่สุดนะรักลูกหลวพ่อเคยพูดให้ฟังลูกมีคนเดียวตาบอดทั้งสองข้างก็เลยไปไหนมาไหนไม่ได้แบบนี้พอดีพ่อกับแม่มีสองตา รวมกันเป็นสี่ตาพ่อสองตาแม่สองตาแม่ถ้าลูกคนเนี้ถ้าได้ดวงตามาใส่ให้มีหูตาสว่างแม่จะสวยจะงามจะได้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แม่ศึกษาธรรมะอาจเป็นพระอริยบุคคลเนยพ่อแม่คู่วักตาให้เลยคนรักเบื้องเอาไปสวมให้ลูกคนนั้นสองตาเลยลูกก็เลยเป็นคนสวยคนดีคนงามขึ้นมาพ่อแม่รักลูกขนาดนั้นทำไมพ่อแม่บอกไม่ฟัง พ่อไม่รู้จักหน้าที่ของคนนั้นเองบางทีนะพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยเมื่อควนเป็นเป็นอยู่เนี่ยไม่หาข้าวอาหารน้ำให้กินเลยไม่เอาหาอะไรน้ให้กินเลยขออแจะท่านตายอยากได้มนุนนดกอันนั้นก็แสดงว่าไม่รู้จักหน้าที่ของคนรู้จักแต่ขุนเป็นคขนพองนั่นเองเนี่ยให้รู้จักจากนั้นพูดให้ฟังมันมา ก, ากบาัดนี้ซ้ํามีเรื่องตายไปแล้วหาว่าพ่อแม่มาทําให้เจ็บหัวปวดท้องเนี่ย ลูกอกักตันญูน่นไม่ใช่ว่าลูกมีคุณกับพ่อกับแม่ยังไปใส่ลายป้ายสีท่านอีกะด้วยเนะี่ยท่านตายไปแล้วเนะี่ยหาว่ามาทําให้เจ็บหัวปวดท้องทําให้ลูกไม่สบายกายไม่สบายหาเรื่องไปเนะี่ยเขาบอกคนอกักตันยูคนเคคนีแล้วคนคนคนคนนั่นจะรู้จักหน้าที่ของคนไม่รู้จักเลย <c oughs> ที่ผมพูดเนี่ยพูดความจริงให้ฟังอย่างนี้หลายครั้งหลายหนแล้วทำไมเมื่ อ, อไรจะเข้าใจ แล้วว่าโตเป็นคนดีป่ะเนี่ยเรียนปหนึ่งถึงปริญาตีปริญาโทปริญาเอกก็ต่างไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้เออว่าจะมีพวกนักศึกษาพวกหนูหนูเรียนปริญาโทหรือปริญาตีตรงเขาไม่รู้มีได้คนได้ได้สั้นไหนหนูปริญาโถหรือตีเนี่ยคนนั้นไม่เรียนอะไรปริญาทางนั้นนั่นเองเป็นยังไงแล้วมันเป็นอย่างไงแต่ว่าปริญาทางนั้นหรือี่ก็ะจึงมีพระกระจึงี เนี่ยมันไม่รู้เลยครับจริงๆอย่างว่าไม่รู้อย่างนี้ก่อจะถือว่าคนเป็นคนเพราะความเป็นคนอพอแม่ทำให้เกิดออกมาเป็นคนเกิดกับคนไม่ต้องเป็นลูกคนหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนใจไม่ใช่ค น, นเดเคยพูดเรื่องฟังอย่างนี้เคยได้ฟังบ่อยไหมเนเคยได้ฟังบ่อยไหมอย่างนี้เนี่ยค <laughs> เรื่องเมื่อใดจะจากันมาปฏิบัติกัน <laughs> พ้ะก็เหมือนกัน ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเอ๊ะทาไมเมื่ อ, อไรจึงจะเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจยันซีจะทํำยังไงก็ เ, เรียก ว, ว่าปุ้ผู้สนเนี่ยคขาว่าปุทุูสนแปลพูดหนาแน่นอยูอ่พูดให้ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นอย่างนี้เาว่าปุ้ผู้สนไม่ใช่กัญญาลัสนเนี่ยเขาว่าปุ้ผู้สนปุ้ผู้สนเขาเรียกเป็นพูดหนาพูดแน่นอยู่ด้วยขมเลวเหลวสามเหลวไหลไหลสาระ พ่อแม่รักขนาดไหนเรายังไปใส่ลายป้ายสีพ่อแม่อีกด้วยเนี่ยจะเป็นคนผู้มีคุณไหมไม่มีคุณเลยคนแบบนี้เขาเรียกวคนเนรละคุณคนอกตโนเขาว่าแต่ <c oughs> ไม่ใส่ว่าพวกเราแต่ว่าเอามาพูดให้พวกเราฟังดังนั้นการศึกษาธรรมะหลักพระพุทธศาสนาะเอาย่อๆเบื้อต้นศึกษาให้รู้จักเรื่องของคนเรื่องของคนมันเป็นอย่างนี้ มันต้องมีคนสับสนวุ่นวายอยู่เนี่ยและให้รู้จักควรมเป็นคนโอเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นคนแต่มาประสบกับเรื่องของคนหน้าที่ของคนควรทําอะไรอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหน้าที่ของคนต้องศึกษาเล่าเรียนได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องทําการทํางานตามหน้าที่เนี่ยหน้าที่ของคนไม่ใช่หน้าที่จะไปเราทำานี่ไปพูดอย่างนั้นไปทําอย่างนั้ น, น, น, นไม่ตรงกับหน้าที่ของเราผิดแล้วอย่างนี้ พิจารณาถือว่าหน้าที่ของเราไหมมันก็ใส่ไม่ได้อย่างจังว่าหลวงพ่อพูดนี่เพราะว่าเวลาถ้าขึ้นไปเมืองเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะผมคิดว่าจะมาวันที่สิบเจ็ดเดือนธันวาเพราะว่าที่นี่จะเปิดอบรมกันวันที่สามสิบเห็นไหมวันที่สามสิบธันวาไปถึงวันที่สี่มกราคมแล้วก็วันที่ห้าพุ่งกับหมอวันนี้ผมผมต้องไปโรงพยาบาลวันที่หก ผมต้องกลับเมืองเลยอีกแล้วเพราะว่าจะไปเปิดอบรมเมืองเลยวันที่สิบห้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นดีกว่าพูดให้ฟังบางทีผมไม่ได้มาก็ฟังจํากันไหมหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรวันนั้นนั้นต้องจำไว้ไปปฏิบัติถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรเลยวัวมเกิดเป็นคนเหยียดแผนดินหนักจินเข้าสุกหมดเข้าสามจินเข้าสารหมดเข้าเปลือกเลยคนที่อากาศยูเนี่ย ไม่มีคุณค่าอะไรทั้งหมดเลยบดี้มือเข้าเปลือกเราจะเอาเข้าปลือกที่ไหนไปเป็นพันมันมันมันไม่ดีที่มานั่งหลวงพ่อพูดอยู่ดีนี่นทําตัวเป็นข้าวอุ่นอ้วนเอาไปเพาะให้มันได้พันดีๆถ้าไม่เพาะเอาไปเข้าโรงสีให้เป็นข้าวทีนออกมาบรรจุลงในกระสอบขายก็ได้กดําไรดีเอาไปนึ่งไปหูไปต้มจิน้นก็มีรถพลิกข้าวทีสอ บางคนเป็นเข้าที่สองบางคนเป็นเข้าที่สามบางคนเป็นแก่เป็นลำเป็นเข้าปลายคนีบางคนถึงจะไม่มีไนเลยในข้าเนี่ยเคยเห็นเขา้าเข้าไม่มีไนไห ม, ไมเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นไหมหนูเข้าไม่มีไนเนี่ยเขาว่าเข้าผีอันนั้นข้าวผีบ้านหนูคนเดียวข้าวผีผีกินอย่างนั้นเนี่ยพอ่อหลวงพ่อพูดให้ฟังนึกว่าเหมือนกับคนไม่มีไม่มีไนนี่ว่าเข้าไม่มีไนข้าผีมานั่งฟังอยู่เนี่ย ผู้ได้ฟังฟังเสสเนี่ยคนไม่มีในเข้าไม่มีไหน่เอาไปต้มไปห่วงกินไม่ได้เขาบอกข้าวาาผีจะไปสอนคนอื่นกันไม่ได้เพราะตัวอย่างไม่ดีเขาเหลือข้าวผีเอาไปให้ผีกินไปพูดกับผีอยู่กับผีอยู่กับคนไม่ได้เพราะมันไม่รู้หน้าที่ของคนเนี่ยแล้ว ใ, ใครจะสอนได้อย่างนั้นก็ไปให้ผีสอนนะก็ไปนําผีเท่านั้นเองเดียมีแต่เตจแต่ผีแต่พญามารเท่านั้น ไม่ปฏิบัติธรรมเป็นคนอกักตรนูคนเนระคุณของครูบาอาจารย์เนระคุณของบิดามารดาเนระคุณของปู่ย่าตายายเนรคุณถึงประเทศชาติบ้านเมืองเขาว่ามีแต่เต้เต้ถีแต่ตปัญญามาเท่านั้นจิ๋วไม่เคารพนับถือจริงธรรมะแท้นั่นจริงไม่มีธรรมะเลยคนผู้นั้นนะถึงจะรับศีลอยู่ก็ตามจะเล่นนิพพานอยู่ก็ตามไหว้ผ้าภาวนาอยู่กัตาม ถ้าหากไม่รู้จักหน้าที่ของคนจะใช้ไม่ได้เลยเขาจะเอาผีเข้าไปไว้ในจิตในใจเขาเมื่อไรไม่รู้ดังนั้นเรามาที่นี่ต้องฟังต้องปฏิบัติคุหลวงพ่อพูดว่าให้เราศึกษาเรื่องของคนเบื้องหล่งเรื่องของคนศึกษาเนี่ยศึกษาให้รู้รูปนามเมื่อรู้จักรูปนามเนี่ยรูปอันนี้มันเป็นรูปเป็นนามรูปทำนามทำเนี่ยรูปอันนี้มันทำทำดีทำชั่วเนี่ย รูปทำนันทำลูปโรคนำโรคเกิดขึ้นมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้องโรคทางเนื้อหนังต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลบัณฑิตโรคทางจิตใจได้บันีิตจิตใจดีใจเสียใจนี่ที่เกียจที่ค้านหรือว่าลูกบุญคุณคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาว่าโรคทางดิญญนนาำต้องศึกษาธรรมะให้ลูกสึกตัว่าท่านว่าเมื่อศึกษาธรรมะเนี่ยรู้บโรคนาำโรคโรคทางจิตใจเราต้องพยายามดูใจ เมื่อรู้จักโลกทางจิตใจก่อนรู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตาจึงว่าทุกต้องกําหนดรู้ขเจบยศสอนกําหนดตัวเคลื่อนตัวไว้สมมุติไทยต้องละนั่งคิดย้อนหลัง บ, บางคนนะคิดคิดคิดคิดเข้าไปในควางคิดเลยไม่รู้จักหยุดคิดเลยอันนี้เขาว่าผิดปกติไปแล้วเมื่อผิดปกติไปแล้วจะว่าศึกษาหน้าที่ของคนไม่ไม่ได้ศึกษาหน้าที่ก่อน แต่ศึกษาเรื่องของคนก็ยังไม่รู้ควรมเป็นคนคนยังไม่รู้และจะไปรู้จากหน้าที่ของคนในทําไประเเนี่ยไจังหวะรู้จักศึกษาเรื่องของคนเนี่ยรู้จักเรื่องของคนเนี่ยควรมเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนกันรู้จักทุกขังอันนี้จากนันตาก็รู้จักสมมุติแบบนี้นี่สมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติดีสมมุติชั่วสมมุติทําผิดทำถูกเนี่ยหน้าที่ของคนควรรู้ถ้าหากไม่รู้อย่างเนี้ย แสดงว่าคนนั้นยังไม่รู้จักหน้าที่ของเราเกิดเป็นคนก็เหยีร่เพรดินหนักจินเข้าสุกกรมข้าวสารจินเข้าสารกรมข้าวเปลือกไปเลยถ้าเรมข้าเปลือกเดี๋ปีต่อไปก็เหมมีมข้าเสื้อเข้าวพันก็มีแต่ข้าวผีนั่นเองอย่างนั้นจะว่าเมืองไทยก็ตามเมืองฝรั่งก็ตามเมืองอเมริกาก็ตามเมืองเยอรมันเมืองประเทศอังกฤษก็ตามประเทศอินเดียก็ตามเมืองราวก็ตามจ่วมีแต่ข้าวผี ข้ามีนายในใแท้กกันเลยไม่มีดังนั้นคนจึงไม่รู้จักหน้าที่ของเราจริงๆก็เลยเอาเรื่องของคนอื่นมาซ้อนกันผสมปะเสกกันเลยนะก็เลยมีแต่ทุกข์ยุ่งสับสนวุ่นวายทาให้โลกยุ่งเข้ามาเดี๋ยวกะเอ้าสังคมนิยมปราปรา์ซ่าเทพตะไเกิดลบลาข้าวฟันกันเนี่ยเ<ม>พราะไม่รู้จักหน้าที่ของคนนี้เองพระสงฆ์องค์เลงก็ไม่รู้จักหน้าที่ของเรา ญาติโยมก็ไม่รู้จักหน้าที่ของเราเมื่อไม่รู้จักหน้าที่ของเราก็เอาหน้าที่อื่นไปสอนกันก็เลยไม่รู้จักหน้าที่ของคนก็เลยมีแต่ทุกข์สับสนวุ่นวายกันไ ม, ไม่หยุดไม่เสารเลยมันเป็นอย่างไรดันงนั้นที่หลวงพ่อมาพูดเนี่ยมีความจงรักภักดีเพราะว่าได้ไปหนึ่งเลยตอนต้นนานสิ่งจะได้มาขณะได้มาไปเดี๋ยวก็ลืมไปเพราะไม่ปลุกกันบ่อยๆปลุกเรื่อยๆ กระตุกใจกันเรื่อยๆให้มันสะดุดใจจำไม่ต้องจำมากจำไปเต่เทียงแต่ว่าเอาภาษาบันให้รู้จักเรื่องของคนให้รู้จักความเป็นคนให้รู้จักหน้าที่ของคนเนี่ยใส่ได้เนี่ยวัตจัตธรรมสัตจรรัตย์เปของจริงเนี่จริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกหยอนโลกจือขวมแสบเผ็ด ความเดือดร้อนความดิ้นรนโลกจะมีแต่ความทุกข์ท่านจวมาศึกษาให้ลูกทุกข์จริงๆเมื่อรู้จากสมมติดีแล้วก็รูกจากศาสนาศาสนาแปลคําสั่งสอนของท่านครูสอนเข้าหเจโยทุกคนเป็นตัวศาสนาทุกคนนั่นแหละคือศาสนาตัวคนนี่แหละคําที่ดีๆสอนให้คนละชั่วทําดีเนี่ยว่าตัวศาสนาพุทธศาสนาคือตัวยังเข้ามารู้พุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ดูด้วยธรรมกินด้วยธรรมนั่งนอน ด, ด้วยธรรมยกมือไหว้ตัวเองด้วยธรรมจึงเขาลบธรรมยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะตัวเองมีคุณดีคมงามจึงคุณดีคมงามของคนมีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ราคาจากหมื่นล้านแสนล้านก็ ข, ขายไม่ได้ชีวิตของคนจึงมีค่ามากบัดนี้เรามาเหยียบแผ่นดินผิดหนักแผ่นดินหนักโลก กินข้าวก็หมดข้าวกินปลาก็หมดปลากินเนื้อก็หมดเนื้อโอ้ยมีแต่หมดแต่สิ้นแต่เปลืองท่านนะทีว่าคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนน่าจะดไซว่าคนไม่คนเพราะเกิดกับคนมันกระแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนิแต่คนคิดของมันไม่ใช่คนเนี่ยเพราะมันไม่รู้จักหน้าที่ของมันนจะเป็นคนได้ทําไหมครับว่ามันนี่จะว่าอย่างไรทางนี้ว่าอย่างไรไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองนี่ว่ายังไร ไม่รู <newly jour amo> <min> ้ไม่รู้จักหน้าที่ของมันเนี่ยว่าอย่างไรผมไม่รู้ทางนี้บ้านผมเลยว่ามันไม่รู้จักหน้าที่บักอันนี้อันเนี้ยรู้ด้วยใจไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักที่นั่งไม่รู้จักที่นอนจะถือว่าคนไหมไม่ใช่คนเรียนจบจากสิทธิปริยัติเอกก็ไม่ใช่คนเพราะไม่รู้จักข้ารลบนัาถือแล้วนี่ไม่รู้จักข้ารลบนัาถือจะไปรู้จักที่ต่ําที่สูงได้ทํำไมคนมันต้องรู้จักที่ต่ําที่สูงที่นั่งที่นอน ที่นอนของพ่อของแม่ที่นั่งที่นอนของครูบาอาจารย์แต่รู้จักแล้วจริงวาหน้าที่ของเราเราไปทํำกล้าวกายหน้าที่ของคนอื่นไปแล้วมันผิดทางนั้นความผิดนะแปลว่าทําไม่ถูกต้องมีแต่ทุกข์ตอนนั้นนํามาความถูกต้องไม่มีก็มีแต่ทุกข์ตอนนั้นตามมาบัดนี้ความถูกต้องมีแล้วบัดนี้ความทุกข์หมดไปหมดไปมีแต่ความไม่มีทุกขาา์ไรเข้ามาได้เข้ามาเท่านั้นเองยังว่าศึกษาให้รู้จริงจรงบาปก็คือโง่นั่นเอง สอสไม่รู้อยู่ในถ้ามืดตือ้ออยู่นั่นเองบบบ น, นี้ถ้ามันมีคนสว่างจุดไฟก็ควมมืดมันหายไปแล้วจึงจําเอาคํำพูดของโครบาอาจารย์นําไปปฏิบัติมันก็มีคนสว่างขึ้นในใจควมมืดมันจงหายไปเพราะควมสว่างไปแล้วควมมืดแล้วควมโง่นั่นเองคนกําลังทําผิดพวกผิดจำครูบาอาจารย์ว่าจําได้ก็นําไปแก้ตัวเองเมื่อกหมืดไปหมืดไปควมมืดก็เหมือนกับเราจุดไฟไว้นี่ ไฟมันไล่ขวามืดไปไล่คมืดไปเท่านั้นเองอันนี้เรารู้จักรู้จําแล้วก็ปฏิบัติตัวเองให้มันรู้แจ้งรู้จิตโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้แจ้งรู้จิตเป็นธรรมะของเรานี่หลักพุทธศาสนาสอนพุทธศาสนาจึงเป็นที่พึ่งได้มันะพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งได้พึ่งตัวเองไม่ต้องไปเพิ่งใครทั้งหมดเลยแต่ว่าเบื้องแรกต้องอาศัยการฟัง คำพูดของครูอาจารย์คำพูดของบิดามารดาต้องฟังเลยถ้าไม่ฟังนาจะจดจาไม่ได้เป็นอย่างต้องฟังจังหวะทุกคนที่ผมนามาเล่าฟังวันนี้ก็ต้องนึกว่าทุกคนควรเข้าใจได้ศึกษาเบื้องต้นนะครับให้รู้จักความเป็นคนเรื่องของคนหน้าที่ของคนอันนี้ควรรู้ควรเห็นควรเป็นควรมีพูดให้ฟังจาได้เรื่องของคนเนี่ย ดีก็มีชั่วก็มีทำผิดทำถูกก็มีเรื่องของคนไม่เป็นอย่างเรื่องของสัตว์โลกเขาว่าอย่างนันคน่นจังว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นสมบัติของคนไม่จะเป็นสมบัติของสัตว์เวลาสารคนนี่แหละจะศึกษาให้มันรู้เมื่อเรารู้หน้าที่ของเราปฏิบัติเอาเรื่องสวรรค์มรรคผลผนิพานเนี่ยท่านตัดเอาไว้ท่านสั้นหากพระธรรมวินัยมีอยู่ มีผู้ประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมเนียอยู่มักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ในทันทีนิพพานก็หมายถึงอะไรเพก็นิพพานก็หมายถึงความเย็นอกเย็นใจทําแล้วสบายใจใครจะมาโต้มาเถียงเราก็่เชยเราทำแต่ดีเท่านั้นเองชั่วอะไรไป่ทาพูดแต่ดีเท่านั้นเองชั่วเราไม่พูดคิดแต่ดีเท่านั้นเองชั่วเราไม่คิดนี่เียว่ามักผลนิพพานก็เกิดขึ้นเนี่าความเย็นเนี่านิพพานคือความเย็น ดับโทสะดับโมหะดับโลภะความจริงดับคมหลวงตัวเดียวนี่แหละโทสะจะเกิดขึ้นเราเห็นเรารู้โลภะจะเกิดขึ้นเราเห็นเรารู้เมื่อเราทำลายโมหะแล้วนี่แหละศิลจึงเป็ น, นคเครื่องกำจัดกิเลสอย่างางาไม่ใช่ศินห้าสินแปดสินสิบสินสองอยี่สิบเจ็ดสินจึง ก, กำจัดโทสะโมหะได้เพราะเราไม่หลงตัวไม่หลงตายไม่หลงใจเรานี่เองนี่ว่าให้ดูใจผมพูดว่า ให้ดูใจมันนึกมันคิดให้รู้เท้ารู้ทันรู้จักพันรู้จักแก้ผมบอกแล้วอะเมื่อกับนักมวยเรียนมาจากครูมาไม่ได้เป็นเซีนเปี้ยนเลยคนที่เขาไม่ต้องไปเรียนกับครูเนี่ยขึ้นเวทีซกบ่อยๆซกหลุมตาเลยทีเดียวใส่สองกำปั้นเนี่ยโนนหลุมตาปุ๊บมันสู้เราไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ได้เป็นแซีนเปี้ยนอันนี้กับมันยังคิดเราก็ยิ่งรู้เป็นยังไงของเล่นด้วย แล้วกาจดจําให้มันได้ครับการฟังจดจําได้อันนี้ไม่ใช่ญาณปัญญา เ, เพียงปัญญาปัญญาจึงมีสองระดับปัญญาได้ยินได้ฟังจดจําได้เอาไปคิดอันนั้นก็ไม่ใช่ญาณปัญญาปัญญาอันนี้มันคิดมาได้แล้วก็ญาณปัญญาชนิทเลย แต่คนมันเข้าใจเรื่องปัญญาีไม่เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจที่แรกผมก็ไม่เข้าใจแต่ปัญญาที่คิดหาเงินหาทองปลุกบ้านแแงเหือนขึ้นทํามาหากินเรื่องิตนี่เขาเรียกปัญญาไม่ใช่ ป, ปัญญาปัญญาเป็นปัญญาได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟัง นั่งได้อ่านนังเช็ด น, นังสื้อตหรับตำลาปัญญามาจากการนึกคิดขยกปัญญาไม่ใช่ญาณปัญญาญาณปัญญาอีกเรื่องหนึ่งอันปัญญาอันอย่างนี้เรียนพระไตรปิฎกแตกตามแล้วพระองค์ก็ยังไหวยังใส่ไม่ได้เราเรานึกย้อนไปถึงพระองค์ก็ได้พระองค์บวชเข้ามาแล้วเนี่ยไปศึกษาเราเรียนตามครูบาอาจารย์ต่าง รู้เข้าใจดีแต่ไม่มียาปัญญาขึ้นมันเพียงอาศัยแต่ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแล้วการนึกการคิดเงแก้ปัญหาตัวเองไม่พอได้ตื่นมาพระองค์ทำวันนี้พระองค์ก็เห็นวันนี้มันไม่ใช่ทางแบบทุกอ่เจนถ้าพระองค์ไม่ต้องพูดก็ได้ที่เรื่องเราเคยพูดกันมาหลายครั้งหลายคนแล้วจนถ้าพระองค์ ไปทำทางจิต ท, ทำอย่างอื่นทำมาหมดแล้วเรายัางไม่ทดล อ, องมึงแต่การทำทางจิต ท, ทางใจนี้เองพระองค์ก็มาทำทางจิต ท, ทางใจนี้เองเมื่อพระองค์มาทำทางจิต ท, ทางใจได้เกิดยานปัญญาเนี่ีแบบนี้ยานปัญญาเลยแบบนี้เกิดยานปัญญาขึ้นมาเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงก็เอาปัญญานันนั้มาทิภากิจานิดนึงทัก ในตัวยานปัญญานั้นในกุ้งห่วงนะครับในน้อยทั้นแต่รู้เขาเรียกว่าเป็นปฐมศาสรทุติยศาสตร์ตัดติยศาสร์จัตุทศาส์อันนี้เขาเรียกว่าศาส5รห้าต่อมาเขาเขาเรียกว่าศาส3รสามเนื้ออะไรคือปฐมศาสตร์ทุติยศาสตรติยศาสร์จตุทศาสตร์าสตสี่อันนี้อันนี้เป็นสาสครบศาสตร ยาน้นานตามภาษาตัวหนึ่งเรียกว่ายานซานบันเรียกว่าสานมันเป็นยานซานเขาเรียกว่าหอกแตยาน เ, เรี ย, ว, ยว่าเข้าไปรู้อันนี้ยานปัญญาเมื่ออาศัยยานปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งไในสิ่นัะมาวิพากษ์วิจารณ์อีกสิก่งหนอันนี้เขาเรียกวปัญญาไม่ใช่ยานตัวนร้บอย่างที่เรารู้จากรูปนามเนี่ยอันนี้เป็นยานปัญญา ญาณปัญญาอันนนรู้จักรูปนามรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่อันนี้เป็นปัญญามาแยกออกจากตัวยานันเองครับที่ทผมเี่ยคนอื่นจะรู้ยังไงนี่ไม่ทราบแต่จะหาว่าผมนี่พูดพวดเกินไปก็ได้ครับผมพูดกลมจลืนให้ฟังผมปฏิบัติผมรู้เลยลูกเนี้ยจะก่อนผมรู้ ร, รู้บางอเนกนามรูปไม่เที่ยงเวทนาอเนกจวทนามนี่แต่ผมไม่รู้ว่าลูกทำํทำทําไม่รู้ พอดีมารู้อันนี้เนี่มาทําอันนี้ให้มันเกิดปัญญาที่ผมพูดแล้ววอะทําทสิ่งใดลงไปมากก็าตามเมื่อก่อนมันไม่เกิดญาณปัญญานั้นก็เสาได้ครับฟังอันใดก็ตามมันไม่เกิดญาณปัญญาก็เสาได้ครับทําอันใดลงไปเนี่ยทําอันใดก็ทำอะไรเนี่ยครับทำสิ่งไหนอันเดียว ทำน้อยพ็าตามทำมาก็อตามถ้ามันเกิดญาณปัญญาขึ้นให้เกิดความรู้แจ้งสิ่งจริงตามานั้นเดียวถูกต้องฟังเทศฟังธรรมฟังนั่นก็ตามครับฟัง น, นกก้น้อยก็ตามฟังแล้วมันเกิดญาณปัญญารู้แจ้งสิ่งจริงตามความเป็นจริงอันนั้นเดี๋ยวถูกต้องถ้าหากยังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แสดงว่าสิ่งนั้นอย่างไม่ถูกต้องผมแต่คนอื่นนั้นผมไม่ได้รับรู้ ผมพูดนี่พูดเฉพาะในเรื่องของผมผมได้ศึกษาแล้วเรียนม า, าตักงะดับและได้ปฏิบัติมาผมมาทําอันนี้เนี่ยเลยเกิดความรู้ควมเป็นผมเก็ เ, เว่ารูปน้ำมันเป็นรูปจริงๆเลยแล้วว่าตาเห็นเป็นรูปรู่จากรูปเป็นน้ำนามคือนามน้ำแตะนามคุณน้ำอันนี้เรียนแแต่ผมก็ไปไว่านาฬิกาเนี่ยเนี่เป็นรูปเนี่ย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 แต่มันทูกขสันนอกครับมันไม่ทุกข์สันน้ำลูกลูกทำน้ำทำนี้มันทำอยู่นี่ลูกโลกน้ำโลกมันนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโลกเ จ, จ็บหัวปวดคอบารณีตจิตใจมันนึกมันคิดอะไเป็นโลกจิตใจเนี่ยมันรู้จักอันนี้โอ้นี่มันลึกผิดกันเมื่อรู้จักอันนี้ก็รู้จักสมมุติจะค่อนสมมุติเอาอันนั้นมาให้พ่อเอานนี้มาให้แม่เอาอันนั้นมาให้ผมอันนี้มาให้สัน ในสมมุติอันนั้นรู้จักอันนั้นแต่ความจริงอันนั้นก็ถูกแต่สมมุติเนี่ยให้รู้จักว่าสมมติเรามือเนี่ยสมมุติสมมุติแขงขาสมมุติอะไรสมมุติอะไรคุกสิ่งทุกอย่างสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติให้ทุกสร้างอย่างเนี่ยให้รู้จักกริงกินอันนี้สมมุติญาณปัญญาครับสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุตินรกสมมุติสวรรค์สมมุติมาพูดว่า เนี่ยมันเป็นยานปัญญาก็รู้จักโอ้นี่มันเอาสมมุติมาพูดไม่เอาสมมติมาพูดพูดไม่ได้ครับครับบัณฑิตครเอาปัญญาเข้ามาริภาคอันนี้ส่วนพักหนึ่งอันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่ตัวส่วนญาณเอันนี้วันนี้รู้จักอันนี้แล้วครบจบเพวนนึ่งรู้จักศาสนารู้จักพุทธศ า, าสนากาสนาคือคําสอนทั่วไปหรือกาศนาคําสอนทั่วไปอย่างตอนี้เราก็เรียนมาแล้วรับ ศาสนาคือตัวบุคคลพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็ได้หรือตัวรู้ก็ได้ตัวเดียวแค่นี้ก็พอเนี่พุทธศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ใครรู้ก็ตัวมันโลนี่เองเราจะว่ายินยานรู้ก็ได้หิว่าปัญญารู้ก็ได้หิว่าอะไรรู้ ก, ก็ได้ละเลยรู้แค่นี้ก็พอบาปเป็นบาปก็คือโง่นั่นเองบาปคือมืดคือไม่รู้ บุญบบบ น, นี้บุญคือรู้บุญคือสว่างบุญคือไม่ทุกข์ออกจากทุกข์ได้คันธาหาว่ารู้แล้วออกจากทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่ญาณปัญญาเป็นเพียงปัญญาแต่วันนี้เราก็ออกปัญญามารอบรู้ปัญญารอบรู้อันนั้นปัญญามาออกจากที่ญาณปัญญามาคิดที่ภาคญาณตัวนี้เป็นปัญญาไม่ได้อาศัยญาณปัญญา แต่เมื่อเรามาทำให้มันเกิดยานปัญญาแล้วเอาตัวปัญญาตัว น, นั้นมาแก้การที่หลังถูกต้องถ้าหากเราไม่ได้ทำให้ยานปัญญาเกิดขึ้นแล้วไปกิดวิภาควิจารณ์อันนั้นอันนี้แก้ทุกไม่ได้ครับผ ม, มคนอื่นจะจะแก้ได้ไหมรู้ผมก็โอ้คำว่าปัญญาครับนี่มันมีคำเดียวว่าปัญญาเนื่อกวามยานปัญญาคําเดียวและไม่ใช่ย า, ยานปัญญาจะเป็นรูปทุกขั้นทุกตอนอไม่ใช่ คือสพาะกยานนี่เหมือนกับเราเบิกทางไปที่แรกเบิกทางไปคนที่แพ้วทางไปเที่ยวหลังนี่ไม่ใช่เป็นตัวผู้ที่เบิกทางคนที่ทํางานไปทีหลังนี่เขาว่าลูกน้องก็ได้คือยสมมุติเขาจะตัดถนนคนที่ซองกล้องเขาได้ตัดทางครับเขาไม่ได้ตัดต้นไม้เขาซองกล้องไปเป็นซองกล้องแล้วเขาตัดเป็นริวไปให้ตัด เ, เนี่อคนเบิกทางคนตัดทางนี่ไม่ใช่คนซองกล้องนะ สมมติให้ฟังนะที่จะที่พูดนี่ขอเข้าใจเลยเออเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลาสา ย, ยานปัญญาตัวนพตทำให้เราเกิดญาณปัญญาตุณิพตแลวบัี้คนเบิกทางนนีะ่เป็นปัญญาแทวทางใช่ไหให้รู้จักว่าเรื่องของคนและควมเป็นคนหน้าที่ของคนถ้าหากยังเราไม่รู้ควมเป็นคน เป็นมาเพราะอะไรเรื่องอะไรที่ให้คนเป็นคนเนี่ยความเป็นคนก็ได้มาจากเพราะจากแม่พระบิดามาดาถ้าไม่มีเพราะไม่มีแม่ไม่มีบิดามาดาเดีย๋ยวจะเกิดเป็นคนได้ทําเกิดในร่างความเป็นคนลูกเท่านี้ก็พออันนี้อาใจใส่ไว้เราก็พูดกันแล้วบัดนี้ความเป็นคนอยู่ได้เพราะเรื่องอะไรอันนี้เป็นปัญญาเนี่ยวิพาวิจารี่ รวมเป็นคนอยู่ได้กับเพราะอาหารอาหารบำรุงร่างกายเป็นคนอยู่ได้ถ้าขาดอาหารแล้ววันนี้อยู่ไม่ได้อีกทีหนึ่งเลือกกินอาหารเข้าไปแล้ววันนึ่ไม่มีถ่ายอยู่ไม่ได้อีกทนมีแต่ทายไม่กินเข้าไปก็อยู่ไม่ได้กับคนเป็นคนก็อยู่ไม่ได้อีกท อ, อันนี้เป็นปัญญาขึ้นแต่ทีแรกมันต้องรู้อาศัยให้ยานปัญญาเป็นต้นเกิดขึ้นเบิกฐานก่อนนี่นเ วันนี้เป็นหัวข้อสั้นๆนะครับหน้าที่ของคนบัญญัตหน้าที่ของคนเรื่องของคนเอาแล้วบันนี้เนี่ยเป็นปัญญาลิขานุภานุภาพมุข่วงเฉพาะยานปัญญามันที่เพียแค่นี้เองครับผมเคยพูดให้ฟังท่าไปเลยไม่ได้ปุ๊บภาพอได้จวกเส้นทางปุ๊บรีบขึ้นมาทางนี้แท่งทางเคยได้ยินบ้างไหมคนพูดอย่างนี้ครับ เนี่ยที่มันมีตอมีหินมีอะไรอยู่ที่เนี่ยเราจะได้ขุดหลักขุดต่อนั่นเองอันนี้เขาปัญญาไม่ใช่ยามปัญญาแทา่อถางให้ละเอียดเรียบร้อยไปอาศัยยามปัญญาเดินหน้าก่อนแน่จึงว่าปัญญาคอยแท้อคอยถางค่อยเตียนมาให้เรียบร้อยไป เ, เรียบปัญญาดัางนั้นชื่อว่าการทำอันนี้เนี่ยมันให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจให้เกิดปัญญา มียานปัญญาขึ้นมาเป็นระดับระดับขึ้นมาที่ปฐมมาสมีองค์ห้าเอว้ทุติยสานมีองค์สามตัสติยสานมีองค์สองเจตุทัศน์มีองค์สองเขาว่าอย่างนั้นวันนี้ตนปัญจมาสถานองค์ห้าคือปฐมมานมีองค์ห้าทุติยสานมีองค์สี่ตัสติยสานมีองค์สามเจตุทัศนมีองค์สอง ปัญจมาสารจาึงมีองค์สองอีกแล้วนี่เป็นอย่างนี้เนี่เรามาแยกกันนี่คือเราไปแยอกันตามตำราแต่เราไม่ได้เห็นอันนี้คนเพราะญาณปัญญาตัวนี้ยังไม่มีเมื่อเราทำให้มันญาณปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วจึงหวะเราพูดกันเราสวดกันบ่อยๆกันน่เนี่ยพุทธานุพุทธังสามะสิทธิเทียมก็จะมีผู้ตัดสลู่ตามพระพุทธเจ้ามีศีลสิลทธิถิ่เสมอกัน ถ้เราตัดไปรู้ตามพระพุทธจริงๆเราต้องอาศัยยานปเปันแต่ระดับปัญญานั้นไม่เหมือนกันคนที่เรียนมากๆก็ต้องมีปัญญาแตกสานก้วงอะไ น, นั้นแต่ตัวญานปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาได้เหมือนกันครับพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านก็นยังชี้ให้ดูแล้วว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วเห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกคือทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาตาคุณก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาตาคุณคำนี้ไม่ใช่เป็นปัญญาคำนี้คนี้เป็นตัวอยางปัญญาจะรู้เห็นเหมือนกันสรับพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นตัวนี้พี่ตัวเทียนี่ว่าทัดทั้งหลายเหมือนเราตาตาคตเนี่ยอันนี้เหมือนกันทัดทั้งหลายคือเราตถตาคดทัดทั้งหลายเป็นตาตาคตไม่เหมือนกัน ระดับสี่ขวบนี้ไม่เหมือนกันอันนี้อาศัยยานปัญญาเป็นเครื่องสองทางหนสองทางกับเบิกทางคําเดียวกันไหม ค, คนละคำคนละคำเอ๊ะสองทางกับเบิกทางเบิกทางเป็นพูดแค่ผู้เตียนใช่งไหมครับเนี่ยสองทางเนี่ยเป็นว่าพู้ผู้เดินหน้าใช่ไหมเอออาศัยยานปัญญานี่ก่เดินหน้าได้บัด น, นีเนนเน้เรื่องของคนเนี่ยเรื่องของคนเนี่ยเป็นญานปัญญา บันในเรื่องของคนจะไปที่ทางนี้การหน้าที่ของคนเป็นเรื่องปัญญาเลยมั้งยานปัญญาม่ใ่จะเกิดตลอดวันนะครับเกิดเพียงแป๊ะเดียวเป็นก้าเป็นก้าไปตอนนั้นเดงหวข้อแรกที่ผมรู้มาคือรู้เรื่องลูกน้ำรู้ให้ครบให้จบให้ท้นทลูกน้ำลูกทันน้ำทำลูกโลกน้ำโลกทุกครั้งอนุจังอนัตตาอยุดไม่ทักเนื่องว่า ทุครั้งอนาาิจจังหน้าตาก็ต้องมีเป็นตั้งเป็นเปลือกอะไรอยู่ในรักและกลับมารู้สมมตริรู้ศาสนารู้พุทธศ า, าสนารู้สองถังกันเนี่เป็นสองถังหมดเรื่องกันเลยครับอันนี้รู้แันตวและผมก็เลยไปติดขมรู้ไปเลยปัญญากันเนี่ยนั้นเป็นเรื่อะติดขมรู้เจะคิดเราคิดคิดเราคิดคิดจนมาเจ็บหัวคิดรู้อันนั้นนั้นรู้ทั้งหมดอันนี้เป็นปัญญา ปัญญาเนี่ยจุว่าทำให้เราผิดก็ได้ทําให้เราถูกต้องก็กได้ถ้าไม่มียาแล้วมันตื่นถ้ามียานแล้วไม่ถานเลยจุดว่าทําเป็นพื้นฐานคือตัวยานปัญญาแต่เราก็มาทําเป็นพื้นฐานเอาปัญญามาเป็นพื้นฐานให้เป็นที่เราฟังที่ครูบาอาจารย์สอนเขาเป็นบัดนี้เมื่อมาเกิดตัวนี้เราผมเสื้อมั่นโอพรทธเจ้ส อ, สอนเรื่องตรงนี้อันนั้นก็จริงเราไปยืมเอาคําพูดมานะั่งมาเจอผมรู้มันใมเหมือนกัน บางคนนะเรียนจบมหาป ร, ริญญายังไปทําผิดกฎหมายติดตรางก็มีนะที่ประเทศเรือนจําข้างหนึ่งมหาป ร, ริญญานะไปติดตรางก็มีอันนั้นเป็นปัญญานะครับไม่ใช่อยาดปัญญาเลยเป็นปัญญาที่คิดแล้วอยากได้ไปทุจริตของเขาเขาก็จับไปติดตรางทีนี่ถ้ายานปัญญาเป็นหัวข้อแล้วเอาปัญญานี้ไปใช้กันผิดก็ ปัญญาในจริงว่าให้รููจับเลือกคัดจัดหาออกมาใช้ให้มันเป็นไม่เป็นพอได้รู้อันนี้ตกเจ็นมาผมจะอาบมาอาบน้ำมาแล้วก็มาเดินจนผมผมเคยพูดอย่างนี้ความจริงเป็นยัางอย่างเดินไปข้างนั้นเลยกลับไปกลับมาเกิดมีความเห็นแจ้งรู้จีค่ด ค, ค, ค, ค, ค, คัดตวค้อนพวกคนคิดอะไขึ้นมาครั้งที่หนึ่นไม่รู้ ครั้งที่สองครั้งที่สามผมทันทีผมคิดทันแล้วก็ผมเคยพูดทำเหมือนเนี่ยกับผมก็ไดทกขบทันทีเลยก็เกิดให้ยานปัญญาเกิดขึ้นเป็นวัตถุการามันอาการโทรสะมโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขารสัญญาจบจากนี้เวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สัญญสญญสญญงขารบัดนี้กับปัญญาอวิภาควิชัยเล ย, ยตัวอย่างปัญญานี่คือแค่นี้พอน้ําหนักตัวผมเนี่ย ร้อยกิโลครับหายล่นออกไปหมดเหมือนกับเอาอันยามาสโลมในเนื้อเนี่ยติงเข้าไปจับรุดไม่ได้แล้วโทสะโมหะโลภหลดแต่แล้วตกปุ๊บออกไปแล้วร้อยกิโลเนี่ยออกไปอย่างน้อยต้อง6กสิบกิโลแต่ผมคาดว่าแปดสิบกิโลโอ้เข้าใจแบบแบบข้ญญ า, า, พาพระญากิธรรมิภาวิจารณ์เลย วัตถุ ก, กับหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างประเภบนันี้กนี่ีที่ปัญญาเไม่ใช่ยานปัญญาเป็นปัญญาเี่ยว่าละหมาดแตกกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดแต่ว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ผิดเอาไปใช้ในทางที่ถูกก็ถูกทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศห้วยหนองของมือตัวเองก็เป็นวัตถุจิตใจก็เป็นวัตถุเนี่ยบั น, นี้ต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของมือเป็นปรจามัด กำลังประเสริญอยู่นี่แหละกำลังเห็นได้เป็นปรมัมมตัวเราก็เป็นปรมัมมจิตใจก็เป็นปรมัมมเน็ตอาการหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาผู้น้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้วันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่หยาดปัญญาแต่ยานปัญญาซองไปให้เป็นอางนี้แล้ ก, ก็ต้องเบิกทาให้พวงเขา้เขาใจไหมครับเออเนี่ ย, นายยานปัญญาตัวนี้อันวันนี้ก็ต้องม า, าวิผาจะมาแยให้พวกเราเข้าใจไว้ แต่ไม่คนไม่ค่อยพูดอย่างนี้แต่พูดกระทำเรื่องที่ผมพูดมาผนก็พูดไม่ได้พูดอย่างนี้มาพูดในนอยนนพูดในนอยนนเรื่องอย่างนี้ก็ตรงเรื่องพูดไปไม่เยอะาวันนี้ตัวแผ่นทางก็ต้องเป็นนีญญ้ตัวเลงสองกล้องประเดี๋ยวอาจารย์คนหนึญญ่อาการก็เปลี่ยนแปลงประเด็นกัว่าโอ้ล้ไปแล้วหกสิบกิโลยิงก็แปดสิบกิโลเขาพูดได้เลย เหลือยี่กิโลเบาสามารถที่หมอโ อ, โอนี้ต้นหางแหลบนี้นี่แหละจะว่าได้กระแสอนิพานได้ที่ตรงนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้แต่ไม่ได้ออกเรื่องความพูดของคนอืน่นผมพูดความจริงถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้มาอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้ไปก็ปแสดงว่าไปดูอย่างนี้เป็นอย่างเดินกลับไปกลับมานี่เดียไม่นานเกิดยานปัญญาิเลือตัญหาอุปทานกลับ อ๋อก็เลยรู้จักอันนี้สินสินเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยางสมาธิเป็นเครื่องขับจัดกิเลสอย่างกลาปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างแเแยงนั่นเราไม่มีศินเนี่ยเพราะกิเลสอย่างยาอันนี้ก็ยังเอาออกไม่ได้กิเลสอย่างยาไม่ใช่มาคูบุรีอันนั้นเป็นปีกย่อยมาตัวโมหะนี่เองตัวโทสะตัวโลภสามอย่างนี่เองกิเลสอย่างยาง แล้วกสิเลตันหาอุปทานนั้นไปยึดมั่นถือมั่นเกาะเนี่ยทีย่งไป็นยงยาถ้าสิ่งเหล่านี้ดุจไปแล้วเห็นสิง่งจะเห็นแล้วเห็นมันมีอยู่แล้วเพราะอันนี้มันปกอยู่นี่ก็เลยไม่เห็นสมมติอย่างนี้นะมีนาฬิกาไหมครับนี่ไหมมีไห ม, ม, ไหมครั บ, รบแล้ววันนี้ผมเอาพาจากี้คุมไปเห็นนาฬิกาไหมเนี่ยนี่แหละกสิเลอย่างยาพอดีเอาดิออกไปปุ๊บนาฬิกามีอยู่แล้ว ของจริงมีอยู่แล้วธรรมะที่ทําพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วแต่ถูกอันใดปกครองปิดบงังหรือครอบนาจะว่าอย่างไรก็ได้เลยเนี่ยองหาเนี่ยเป็นปัญญาไม่ใช่ญาณปัญญาเป็นปัญนามรฏิภาวิจารเอจึงเข้าใจอย่างไ น, นแต่คนอื่นผมไม่รับรองไม่รับรู้แต่คําพูดผมนี่ผมรับรองรับรู้เพราะผมเข้าใจอย่างนี้ที่ว่า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 ถ้าเลนก้องเนี่ยเบิกทางไปพุทอตัดไปทางนี้มันก็ไม่ได้ไปทางนั้นเด็ดใช่ไหครับมันก็ไม่ไปทางนั้นเลยทีมันเป็นอย่างนี้การเบริกทางกับการสอ่องกล้องเก่งให้มั น, นส่องกล้องเลย น, น่ะเบิกทางไปตามกล้องได้ถ้าเบิกทางไปทางที่ผิดผิดเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเอามาคิดจิงๆครับพอดีรู้จักอันนี้ความสงบเป็นผลพอได้ผมมานอนก่อน มานอนแล้วแบบนี้รู้จักคันนี้เราตอนเย็นมานอนนอนผมลุกไปตอนตั้งเอาไส ไ, ไปใต้เลยเสียงไข่ตะขาบตัวนึงมันแล่นมาผ่านหน้าผมผมก็เลยเอาเทียงไข่ตามตะขาบไปไม่เห็นได้บอกเทียงไข่เดื ว, วางที่เดีเลยลู้จักชัดเจงขึ้นมาศีลเป็นเครื่องกัปติรีเจยิญญาสมาธิเป็นเครื่องกัปตุรเจริงงางปัญญาเป็นเครื่องกักบปตุรี สินตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าสินห้าสินแปดสิงสิบสินสองร้อยสิบสินสามร้อยผมไม่เคยได้พูดแต่ผมพูดสินขันสมาธิขันปัญญาขันสิขันสมาธิขันปัญญาขันขันคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันมีสิรูปอันนี้มีสินนะครับที่มันมีอยู่แล้วคืออย่างว่า จะเอาอันไรมาปกปานี้มันเดกาเลยไม่ทีจรว่าการจากกัดเกล็ดอย่างหยาบๆจริงแล้วรักษามาแล้วทั้งจะเป็นเนุนมพุ่งิก้ออกมาเป็นหนุ่มมาบวชเป็นพระกระทั่งมามีครอบครัวทําบุญให้ฐานรักษาสิเสมอแต่เราไม่รู้เลยสินขันแปลว่าขันนี้มีศินเนี่ยคือขันห้ามีสิลขันสี่มีศินขันเดียวมีสิลขันเยอะเหรอ วิญญาณขันเนี่ยวิญญาณเจวารู้เนะครับตัววิญญาณก็มีสิ้นวิญญาณเจอปัญญาก็ไรเนี่ยปัญญาจะมีสองระดับเขาเข้าใจนะครับปัญญาตัวนี้กับวิญญาณเนี้ยมีสองระดับนะครัวิญญาณเจอรู้วิญญาณก็คือปัญญาเองโอ้ไม่เป็นไรก็เลยรู้จากความสงบควมสงบจะเป็นผลคอยได้ครับความสงบเป็นผลคอยได้เพราะเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาได้กับเพราะยานปัญญาโดยฐาน เมื่อยานปัญญาตัวนี้ยังไม่เบิดทางมีเพ่ปัญญาชิดเพื่อ ช, ชิดก็ยังปรากฏไม่ได้ควรสงบปัญญาปรากฏไม่ได้นี่เป็อย่างนั้นเมื่อยานปัญญาเบิดทางแล้วไอ้ที่ปัญญาบรรเทวทางแปที่เบิดขาเลยอันนัน้นเป็นผลพอได้ทุกขโมสงบควมสงบเพื่อเป็นผลคอยได้มาจากปัญญาผมเข้าใจอย่างนี้พอที่รู้จักอย่างนี้มาทักแต่สงรู้จัก การทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาทำบาปด้วยใจทำบาปด้วยกายถ้าหากนั้นโลกมีนะไปตกนัลกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนไม่เข้าใจอย่างไ้อันนี้เป็นออยากสับยากทำบาปด้วยวาจาไปตกนันโลกขุ้มไหนทำบาปด้วยใจคิดเฉยๆ ส, สามอันนี้ทำอัคคีติีนะั้วไม่ได้สมามป้อมกันไปตกนันลกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือน ทำบับด้วยกายด้วยวยาจาด้วยใจสามอันนี้มันรวบกันเนยไป ต, ตกนอกขุมไหนนางทีทีี่เห็นรู้จักอันนี้ขึ้นมาอันทีเห็นรู้เข้าใจจป็นในสายตาเห็นยใจมันรู้ดิน ญ, ญาณมันรู้เนี่ยพอได้ยานปัญญาที่นี่เครื่องบึกท่างมันจะไปได้บับนี้ครับเนี่ยเครื่องบึกห่างแต่ตัวยานปญัญญามันต้องเป็นห้องสองแบบวันนี้ตรงกันข้ามทําบุญด้วยกายเขามือยกลา ทำบุญด้วยวาจาพดูดจะดีทำบุญด้วยใจใจคิดจะดีสามอย่างนี้ถ้าสวรรค์มีทำบุญด้วยใจนะไปเกิดสวรรค์อยู่กีกเดือนนิพพานมีไปเกิดปีกีเดือนทำบุญด้วยวาจาคำพูดทำดีไปเอไปอยู่สวรรค์นิพพานมีกินะไปอยู่ปี่กี่เดือ น, น, นได้ทำด้วยใจบนี้ ไป่ที่พีพเดียมันเหลวนะครับที่ผมพูดมันจะมักรเดียวเหมือนกับปลาแหลกทีเดียครับมันเป็นวันนี้ทําบุญด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้ตึกสี่ถ้าหักสวรรค์มีนิพพานมีไปอยู่สวรรค์นิพพานพีพีเดียบันนี้กัเครื่อง่อแวปที่เดียรงงานเลย่นี้วันนี้เครื่องแค่ทางแค่ไปเรื่อยๆเนี่ยนิทพานวาจนี้เป็นปัญญาเองพอดีเหมือนกับคือไฟ้าเดียเพช เข้ามาเลีเดียวญญคือ่าเอือเชื่มาพุชิตรงนี้รับปุ๊บเชือกมันย้อนขึ้มาติดตรงนี้นั่นนี่ดึงเข้าหากันไม่ถึงเลยอันนี้เป็นญาตปัญญาแต่ปัญญากรรมวิภาวิจารมขาดเพราะเรื่องอะไรเนี่ยแล้ไปติดตรงนี้นว่าย่าไส่กลับขึ้นมาทางนี้ลืล่อมาอีกอันนี้เป็นปัญญาแล้ก็ให่คืนมาต้นขานกลับมาเบิดขาแหงแผวฐา น, านเปลี่ยนแั่ไปเทอที่นั้นกลับขึ้นมาแผวฐานเปลนนี่ แค่ทางอันนี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาของญาตไม่ใช่ญาตปัญญาเป็นปัญญาที่ตามก้นญานไปเนี่ยที่ผมพูดนี่ครับจะฟังเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นเรื่องของคนนะบัดนี้เนี่ยระดับปัญญาการฟังจี่ไม่เหมือนกันระดับคมรู้ที่ไม่เหมือนกันการทำวิธีเนี่ยทำแตกน่าประจักษ์เกิดมาในชีวิต์ของผมผมไม่เคยเหัน เคยให้ทานเคยนักษาศีเคยทํากรรมฐานมากลายแต่ไม่เคยไปอย่างจะตแบบมั่นใจเลยหุดได้หยุดแลด้วแบบหยุดไม่เดินได้แบบคือไม่แสวงหาครูหาอาจารย์ไม่แสวงหาตรรมราไม่แสวงหาอะไรเรียกว่าจุดยุด ก, กับสงบกันเดียกวกันอีกแล้วคว่ำสงบจึงจะเป็นผลคอยได้พอเกิดปัญญาเนี่ยจริงอย่านย ง, งนั้นพวกเรามาทํา มาเจริญสติเจริญคนรู้สึกให้รู้จักคันต้นเนี่ยเรื่องของคนควมเป็นคนหน้าที่ของคนใหญ่ๆอันนี้เป็นญาณต่า ง, างแค่เรารู้มาเนี้ยแต่เราไม่รู้จักเมื่อเรารู้จักแล้วที่เราจะได้รู้จักเคารพตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเราเนี่ยเป็นไหวค้ครูเราก็ได้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 คนอินเดียก็เรียกว่าคนคนคะเมนก็เรียกว่าคนคนยวนคนลาก็เรียกว่าคนให้คิดว่าคนเนี่ยมีเหมือนกันหมดอันจิตใจสบายสบายชืมีอันจิตใจว่าวุ่นก็มีเหมือนกันหมดแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้ศึกษามาก็ใช้เป็นธรรมยศสอนให้เราอ่ะให้มีสติกําหนดรู้ในอินเดียบุตรทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติ ร, รู้ 4, เดินก็ให้มีสติรู้ นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติรู้เพื่ อ, อเพื่อให้มันเกิดญางปัญญารู้จักของจิตศาสรสติสีิ้แล้วก็ยังสอนให้เรามีสติเข้าไปก้มในรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยคูเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิสีธิโกตมโตคู่อยู่เคลื่อนไหวนี่ม่เข้าใจคูเรา